ไทยเราหรือพูดให้ถูกคือวัฒนธรรมไทยเนี่ยให้ความสมให้ความสำคัญนะกับเรื่องของจิตใจมากนะอย่างมันจะมีคำที่พูดถึงหรือบรรยายถึงสภาพคุณลักษณะหรืออาการของใจนี่มากทีเดียวเรียกว่าเริ่มต้นตั้งแต่กอไก่หอนกุกงเลยเนี่ยเช่นกลุ่มใจหรือ หึดใจสู้เนี้ยตัง้งแต่กไก่ยนึงหอนพูนี่มันจะมีคำที่พูดถึงจิตใจไว้มากทีเดียวแล้ ว, วก็มีหลายคำนะที่คนเรานี่ไม่ค่อยชอบเช็นกลุ่มใจเสียใจเศร้าใจทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้ว แต่มีคำอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่มีประโยชน์นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่โดยพราะในยุคปัจจุบันไม่ค่อยชอบทั้งทั้งที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะมีหรือควรจะทำให้เกิดขึ้นเช่นคำว่าข่มใจฝืนใจยับยั้งชั่งใจหักห้ามใจ อดใจรอหลุงทั้งคำชนะใจ น, นี่คำกลุ่มคำที่ว่าเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีความสำคัญเพราะว่ามันช่วยทำให้จิตใจนี่มีพลังมีความเข้มแข็งมั่นคง แต่ถ้าเราลองพิจารณาดูคำเหล่านี้สักหน่อยนะอาจจะเกิดความสงสัยนะว่าเอ๊ะขมใจก็ดีชนะใจก็ดีหรือว่าอดใจรออดใจคอยก็ดีมันจะทําให้จิตใจนี้เข้มแข็งได้อย่างไรการหักห้ามใจจะทำให้จิตใจนี้เข้มแข็งได้อย่างไรมันมีแต่ทําให้จิตใจอ่อนแอสิ เช่นชนะใจเนี่ยนะจะชนะได้ก็หมายว่าใจนี่ต้องอ่อนแอต้องยอมแพ้ข่มใจนเนี่ยะจะข่มได้นี่ก็หมายว่าใจนี่มันอ่อนแอสู้ไม่ได้หักข้ามใจก็เหมือนกันนะจะหักข้ามใจได้สําเร็จนี่ก็หมายความว่าใจนี่มันยอมไม่สู้ด้วยที่จริง คำที่ว่าเนี่ยถ้าจ ะ, ะพูดใหม่นี่ยก็มันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะคือว่าไม่ใช่ข่มใจนะจะข่มกิเลสข่มอารมณ์ไม่ใช่ฝืนใจนะแต่ว่าฝืนนะความอยากฝืนอารมณ์มันไม่ใช่ชนะใจนะแต่เป็นการชนะกิเลสชนะอัตตา จะถามว่าเนี่ยนะข่มกิเลสข่มอารมณ์หรือว่าฝืนความอยากหรือว่าชนะกิเลสเนี่ยมันชนะด้วยอะไรนะฝืนด้วยอะไรข่มด้วยอะไรนะก็ข่มด้วยใจนะฝืนด้วยใจชนะด้วยใจหักห้ามด้วยใจก็เพราะทำสิ่งเหล่านั้นด้วยใจเนี่ยนะ ใจมันจึงเข้มแข็งนงคำว่าหักห้ามใจจึงมันก็ไม่ถูกนะแล้หักห้ามกิเลสฝืนใจนี่ก็ไม่ถูกนะต้องฝืนฝืนอารมณ์ฝืนกิเลสมากกว่าแต่ทัมงหมดที่ก็ทําด้วยใจนะเมื่อใช้ใจเนี่ยฝืนกิเลสไม่ใช้ใจอมอารมณ์หรือว่าใช้ใจเพื่อชนะกิเลสเนี่ย มันก็ยนทำให้ใจนี้เข้มแข็งในทางตรขงข้ามท้าไปททำสิ่งนั้นเลยจิตใจก็อ่อนแอการที่ใจเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงหรือว่ามีพลังเนี่ยนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะสำหรับการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการ ฝืนใจก็ดีการข่มใจก็ดีหรือว่าการอดใจคอยอดใจรอหากห้ามใจพนี้มันจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราเข้าใจความหมายของมันอย่างแท้จริงนะแล้วก็เอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรืออย่างที่บอกนะว่า กลุ่มคําเหล่านี้เนี่ยเดิอนนี้มันไม่ค่อยได้รับความสนใจหรือความสาคัญนะสหรับคนในยุคนี้เท่าไหร่เพราะาสมัยนี้เนี่ยเราเนเรื่องการมีเสรีภาพหรือว่าการปล่อยใจไปตามความอยากหรือว่าปล่อยตัวปล่อยใจ มันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวแล้วละ่ะการเลี้ยงดูการเลี้ยงลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่อแม่จำนวนมากนี่โดยเพาะที่มีฐานะก็เลี้ยงลูกแบบตามใจลูกหรือว่าปลนเปลอลูกอยากได้อะไรก็หามาให้พอไม่ให้ลูกร้องอก็ต้องยอมให้ ผลเปรอส่วนหลวงพ่อครอบครัวสมัยนี้มีลูกน้อยนะมีลูกแค่คนสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตามใจลูกได้ได้ง่ายส่วนลูกที่ก็มีคนเดียวก็เลยไม่ต้องรู้จักแบ่งรู้จักกดกลั้นเพื่อให้คนอื่นพี่น้องเขาได้ได้เล่นได้ใช้บ้าง ของเรามีชิ้นเดียวแต่ว่ามีพี่น้องกันหลายคนอ่ะก็ต้องถูกฝึกให้รู้จักกดกั้นให้คนอื่นเขาได้ใช้ให้คนอื่นเขาได้เล่นบ้างจะเก็บมาเป็นของตัวใช้คนเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าสมัยนี้มันทำได้แล้วพะมีลูกคนเดียวด้ว่ามีลูกแค่สองคนในเมืองจีนนี่เขาว่าลูกคนเดียวนี่เหมือนกับเป็นจกักรพรรดิเลนี่มนไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูนะจึงว่าล้อมด้วย เทคโนโลยีที่มันสนองความต้องการของคนได้อย่างรวดเร็วอยากกินอะไรก็ไม่ต้องอดทนรอคอยมากนะอยากปุ๊บก็ได้ปั๊บนะอยากเล่นเกมนะเปิดปุ๊บติดปับนะ๊บโทรศัพท์มือถือนะอยากซื้ออะไรนะก็ไม่ต้องคอยหาวันว่างนะไปซื้อของในห้าง อยากได้ปุ๊บก็ซื้อปั๊บเลยนะทางสั่งซื้อทางสินค้าออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีโฆษณาต่างๆที่กระตุ้นให้คนเราเนี่ยทำตามความอยากได้ง่ายหรือว่าทำตามความต้องการตัวเองโฆษณานี่ใช้ชีวิตเต็มร้อ ย, ยหรือว่าโฆษณาอย่างรองเท้าบางยี่ห้อเนี่ยใน ก, กี้บอกเนี่ย ทำเลยนะอยากทําอะไรทําเลยนะ just do it นะก็ไม่ต้องนับยั้งชั่งใจหรือว่าไม่ต้องอดทนรอคอยหรือบางทีไม่ต้องใคร่ครวเลยทําเลยแล้วมันเป็นสัง ค, งคมเดี๋ยวนี้คนเราอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้คนเรารู้จักอดกลั้นหรือว่ารู้จักข่มใจหรือว่าอดใจคอย อยากได้อะไรก็ไปหาสิ่ง น, นั้นมาเสพมาปนเปอลหรือไปซื้อมาต้องการเป็นขั้นยิ่ยมนะว่าทำอะไรนะตามสบายเพราะะนั้นในคำว่าข่มใจฝืนใจอดใจคอยหักห้ามใจยงชัางใจนี่หรือไม่รวมงคำว่าชนะใจนี่มันก็เลย ถ้าไม่อยู่ในพจน์ยุคโนกลมนะของคนในยุคนี้นะโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเลยก็ว่าได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะแต่ว่าสาหรับคนที่มีความใส่ใจนะกับเรื่องของจิตใจและคุณภาพชีวิตเนี่ยในกลุ่มคำที่ว่านี่นะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะที่เราควรมาย้ำเตือนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีที่รวดเร็วนะหรือว่าจะมีความรู้แม้แค่ไหนแต่ว่าถ้าคนเราไม่รู้จักอดกลั้นไม่รู้จักข่มใจไม่รู้จักฟื้นใจตัวเองบ้างทำแล้วก็ทำไม่สำเร็จไม่ว่าจะเรียนหนังสือหรือทำงาน อะไรที่จะช่วยทำให้คนเราเนี่ยนะมะีจิตใจที่เข้มเข้มแข็งได้สามารถที่จะฟันเสาอุปสรรคต่างๆหรือว่าก้าวข้ามผ่านทุกข์ไปได้ไม่ว่าจะาหนักหน า, หนาเพียงใดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละนะกรู้จักอดรู้จักฝืนใจกลมใจหรือการรู้จักหักห้ามใจ ซึ่งก็อย่างที่บอกนะมันก็คือการนะข่มอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำกำกับบงการชีวิตจิตใจจกนกระทั่งเข้ารกเขา้าพงหรือว่าตกต่ำย่าแย่ให้การที่คนเราเนี่ยนะรักษาตนอยู่ในศีลนะในกรอบของธรรมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะ ที่ช่วยทำให้จิตใจนี้เข้มแข็งเพราะว่าถ้าคนเรามีสีเนี่ยเราก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ทำอะไรตามอารมณ์ตามความอยากโดยเพรา ะ, ะกิเลสที่ดิบๆเน่เช่นอยากรักขโมยอยากผิดลูกผิดเมียหรือว่าอยากทำร้ายถ้าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันต้องอาศัย มันเกิดขึ้นจากอารมณ์ดิบๆนะกิเลสหยาบๆความโกรธความโลภราคะซึ่งคนเราก็ต้องรู้จักนะฝืนรู้จักทวนกระแส ร, รู้จักขม่มนะไม่ให้มันนะนะนะข้องกัจิตใจได้ศีลเนี่ยนะโดยเฉพาะเริ่มจากศีลห้าเนี่ยมันช่วย ช่วยให้เกิดความยับยั้งชั่งใจช่วยเกิดการข่มใจแต่มันไม่ใช่แค่ศีลอย่างเดียวนะหรือไม่ใช่แค่ศีน่าอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันมีความอยากหลายอย่างที่เกิดจากการเย้าวยวนให้เสรให้อยากให้มีมมนมีสิ่งที่ชวนให้เราอยากจะกินดื่มเที่ยวเล่น โอกาสที่จะกินดื่มเที่ยวเล่นมีเยอะไปหมดเดี่ยเพราะาผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆถ้าเราปล่อยใจไปตามความอยากจิตใจเราก็อ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆนั่นการยับยั้งชั่งใจไม่ให้ไหลไปตามสิ่งเหล่านี้เนี่ย ไม่ใช่แค่มีศีลห้าอย่างเดียวนะแต่รวมทั้งการรู้จักห้ามใจหรือมีกรอบที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันทำให้คุณภาพชีวิตมันแย่ลงเช่นเกมนะเกมเนี่ยเดี๋ยวนี้คนติดเกมกันมาก ถ้าม่รู้จักลดละหรือเลิกนี่ก็จิตใจก็แําแย่ชีวยก็ลําบากบางคนไม่เป็นนันทํางานเลยเพราะติดเกมขนาดเป็นผู้ใหญ่น่าว่าแต่เด็กเลยการที่เรารู้จักลดละเนี่ยรู้จักควบคุมไม่ให้ปล่อยใจไปตามสิ่งเย้าวยวนแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้จิตใจเรามีความเข้มแข็งนอกจากการลดละ หรือว่าการกำกับตัวเองด้วยสีแล้วเนี่ยนะการทำสิ่งที่เราไม่ชอบแต่มีประโยชน์ต้องฝืนใจทำเนี่ยมันก็ช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็งนะเนะช่นการออกกำลังกายเนี่ยเดี๋ยวนี้เราติดอยู่กับชีวิต ท, ที่สะดวกสบายมากการจะออกกำลังกายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากที่มันต้องฝืนใจมาก แต่การฝืนใจทำเนี่ยมันก็ช่วยทําให้จิตใจนี่เข้มแข็งไม่ใช่แค่ร่างกายเข้มแข็งอย่างเดียวที่จริงเป็นแค่ฝืนใจนะตื่นแต่เช้าเนี่ยตื่นแต่เช้ามาทําวัดนะอย่างที่นี่เนี่ยโอ้มันก็ฝึกใจให้เข้มแข็งได้เหมือนกันนะเพราะมันก็คือการฝืนกิเลสนะการเอาชนะความง่วงความเกลียดคร้ําถ้าทําได้เนี่ยใจก็เข้มแข็ง หรือว่าการมีวินัยในการใช้เงินรู้จักอดออมไม่จะซื้ออะไรนี่ก็ต้องอมีการเตรียะตาดเตรียมไว้ล่วงไว้ล่วงหน้าก่อนเช่นจะเข้าห้างนี่ก็มีรายการสินค้าที่จะซื้อเตรียมไว้ก่อนไม่ใช่เห็นอะไรอยากซื้อก็ซื้อเลยแต่ว่าต้องอมีการทํารายการสินค้าเอาไว้แล้วก็ซื้อตาม รายการนั้นมันก็เป็นการช่วยนะฝึกใจได้เหมือนกันนะให้มีวินัยในการใช้เงินในการจ่ายเงินแล้วก็รู้จักอดออดด้วยพวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการฝืนใจต้องอาศัยการข่มใจหรือการข่มความอยากแต่พอทำได้จิตใจมันก็เข้มแข็งหรือบางทีอยากซื้ออะไรนี่ก็ ไม่ซื้อทันทีคอยสักหน่อยคอยสักหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเพื่อให้แน่ใจว่าอยากได้จริงไหมหรือเพื่อให้แน่ใจว่าของที่ซื้อมาเนี่ยมันได้ราคาที่สมน้ำสมเนื้อไม่ใช่เห็นปุ๊บซื้อปั๊บแล้วมาพบว่าราคาที่ถูกกว่านี้มีมีอยู่หรือที่น้นที่นี่ข้อนะ ขายถูกก่านี้เยอะเลยแล้วก็มาเสียใจไม่น่าเลยไม่น่าซื้อเลยซื้อแล้วเนี่ยแทนที่จะมีความสุขกับเสียใจที่ซื้อของแพงกว่าที่อื่นอันนี้เพราะไม่รู้จักอดใจคอยถ้ามีวินในการเงินเนี่ยมันก็ช่วยทำให้จิตใจมีความเข้มแข็งได้ แล้วคนที่เขารู้จักขยันออกกำลังกายหรือว่ามีวินัยในการใช้เงินเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเขาสามารถที่จ ะ, ะมีกําลังใจหรือมีพลังใจในการที่จะทวนกระแสะกิเลสไม่ทำตามกิเลสในเรื่องอื่นๆไม่่เป็นเรื่องการกินเรื่องการเสพกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการ เสพสิ่งมึนเมาหรือการเที่ยวการเล่นและสิ่งที่สําคัญนะที่จะช่วยทําให้ใจเข้มแข็งเนี่ยก็คือการภาวนาการปฏิบัติธรรมคนเราเนจะภาวนาจะปฏิบัติธรรมหรือกันหรือจะทําสมาธิภาวนาได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องฝืนนะมันต้องฝืนใจ เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สำคัญคือว่าคนเรานี้ก็อยากจะทําอะไรที่มันตื่นเต้นสนุกสนานในขณะที่การภาวนาการปฏิบัติธรรมนี่สำหรับหลายคนแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะแต่ว่าจะทําได้เนี่ยแต่ว่ามันมีประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกใจเราจะทำอน่างั้นได้เนี่ย มันต้องฝืนใจนะต้องฝืนใจต้องข่มใจนะข่คมความอยากสนุกหรือว่าความเกลียดคร้านจึงจะหันมาภาวนาไม่ใช่เข้าค้อดอย่างเดียวนะัแม้กระทั่งในในชีวิตประจำวันจะทำสมาธิก่อนนอนหรือตื่นนอนนี่มันก็ต้องฝืนใจทำ แต่ว่าไอการสูนใจและการข่มใจเนี่ยสำหรับการภาวนาแล้วมันไม่พอนะมันไม่พอมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่มันไม่พอการที่การภาวนาจ ะ, จะได้ผลดีโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยในเบื้องต้นก็อาจจะต้องใช้การสืนใจการข่มใจการหักห้ามใจ ที่จะไม่ทฉเลทลายไปในทางอื่นแต่ว่าพาตัวเองเนี่ยมาสู่การปฏิบัติแต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นไม่ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันไปนะก็คือการรู้จักนิ่งด้วยการข่มใจการฝืนใจเนี่ยในงๆนึงก็คือการไปสู้รบตบมื อ, อ ก, กับกิเลสแต่ว่าเราต้อง นะมีสิ่งอื่นควบคู่ไปด้วยซึ่งนัตธรรมาชาติว่าการรู้จักนิ่งไม่ไปสู้รบตบมือกิเลสแต่แค่ดูมันเฉยๆคนที่มาภาวนาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็ก็ใช้การเนี่ยการข่มใจการฝืนใจมาเป็นหลัก เพื่อจะเขียวเข็นตนเองให้ปฏิบัติให้ภาวนาได้ต่อเนื่องแต่ว่าเขี่ยวเข็นตนเองหรือว่ารู้จักข่มใจอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องรู้จักนิ่งให้เป็นด้วยคำว่านิ่งในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าทำให้จิตไม่คิดทำให้จิตไม่ปรุงนะหรือทำให้จิตไม่ฟุง้งไม่ใช่เวลาพูดถึงความว่านิ่งเนี่ยหลายคนก็ นึกถึงเรื่องการที่ว่านึกถึงการที่จิตไม่คิดจิตไม่ไม่ปรุงไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นในใจไอ้นิ่งที่สำคัญกว่าเนี่ยไม่ใช่การไม่คิดแต่คือการดูอย่างนิ่งๆดูดูอะไรนะดูความคิดดูอารมณ์จะเรียกว่านั่งนิ่งๆดูความคิดหรือดูอารมณ์ก็ได้นะ นิ่งตรงนี้นิ่งอย่างหลังที่สําคัญกว่านิ่งที่ไม่คิดอะไรเลยแต่ว่าคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพอมามาด้วยความคาดมาทําด้วยความคาดหวังว่าเนี่ยจิตจะต้องนิ่งและนิ่งคือว่าไม่มีความคิดหรือว่ามีความคิดแต่น้อย พราะว่าทำไปทไปนี่จิตมันกลับพุ่งกว่าเดิมอยากให้จิตมันนิ่งแต่ว่ามันกลับวุ่นวายกว่าเดิมอันนี้เพราะว่าไปใช้การกดข่มนะกดข่มความคิดกดข่มอารมณ์ซึ่งอย่างที่บอกนะการกดข่มการฝืนใจเนี่ยมีประโยชน์นะในการที่จะ ทำให้เราเนี่ยลงมือภาวนาลงมือทําสมาธิแต่เมื่อตอนที่เราลงมือทาสมาธิหรือเจริญสติแล้วเนี่ยต้องมาใช้อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมาช่วยมาห น, น, นุนก็คือความนิ่งไม่ใช่ไม่คิดอะไรแต่ว่าดูมันนิ่งๆดูมันอย่างอย่างนิ่งๆหรือว่านิ่งดูมันซึ่งอันนี้ก็ คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คาว่าเนี่ยให้รู้ซื่อเื่ยรู้ซื่อเื่คือการที่ดูเห็นอารมณ์ต่างๆโดยที่ไม่เข้าไปทำอะไรกับมันก็เหมือนกับว่านั่งนิ่งๆดูมันหรือว่ายืนนิ่งๆดูมันคำว่าซื่อเนี่ยคือไม่ไปทำอะไรกับมันแต่ว่า คนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยก็คิดแต่จะไปข่มมันคิดแต่จะไปกำจัดมันที่แต่จะไปขับสายไล่สงมันอันนั้นเป็นเพราะว่าไม่รู้จักนิ่งนะคนที่จะมาภาวนาเนี่ยปรารถนาความนิ่งเนี่ยคือปรารถนาให้ใจเนี่ยนิ่งสงบไม่มีความคิดเนี่ยอันนี้มักจะผิดหวัง แล้วก็สุดท้ายก็ทำด้วยความเครียดความทุกข์แต่ถ้าหันมาสนใจนิ่งในความหมายอีกความหมายนึ่งก็คือว่านั่งนิ่งนิ่งดูมันไม่ว่ามันจะเป็นความคิดหรืออารมณ์มันจะคิดมากคิดน้อยอก็ช่างมันแต่ว่าเราจะนั่งนิ่งนิ่งดูมันโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันฝึกตรงเนี้ยสำคัญกว่าเพราะถ้เราสามารถที่จะ นิ่งดูมันได้โดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันสติก็จะเข้มแข็งความสึกตัวก็จะต่อเนื่องแล้วต่อไปเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มนิ่งขึ้นในความหมายที่ว่าความคิดมันน้อยลงอารมณ์ที่เกิดจากการกระทบเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงแต่ถ้าไปตั้งเป้าตั้งแต่แรกว่าเนี่ยฉันทำแล้วเนี่ยมันต้องนิ่งมันต้องสงบนะก็คือไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์มารบกวน อันนี้ก็มักจะผิดหวังแล้วก็มักจะลงเอ่ยด้วยการที่จิตว้าวุ่นวุ่นว า, วนวาวนวยหรือเครียดกว่าเดิมจนกว่าจะมาฝึกจิตให้รู้จัก น, นั่งนิ่งๆดูอารมณ์ดูความคิดไอ้ความนิ่งแบบนี้มันมีพลังนะเช่นเดียวกับการข่มใจการหักห้ามใจฝืนใจนี้ก็ทำให้จิตมีพลังมันมันเป็นพลังอย่างหนึ่งของจิตนะพลังแห่งการกดข่ม อันนี้ก็สำคัญนะแต่พลังแห่งการนิ่งเนี่ยหรือว่าดูแบบนิ่งๆเนี่ยนี่ก็สำคัญเหมือนกันถ้าการเภาหนังเราเนี่ยมีสองพลังควบคู่ไปเนี่ยมันก็จะทำให้การปฏิบัติก็ก้าวหน้าได้ผลนะทีแรกเราก็ต้องข่มความเกลียดชังหรือว่าหากข้ามใจที่มันอยากจะไปเที่ยวอยากจะดูหนัง ดูโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียเล่นเกมต้องหักห้ามใจเพื่อที่จะมาปฏิบัติแต่พอลงมาปฏิบัติแล้วนี่ต้องอรู้จักดูด้วยความนิ่งนะซึ่งอันนี้ครูบาทานท่านก็ใช้คำว่ารู้ซื่อเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันและถ้าเราบมีนิ่งแบบนี้นะต่อไปเนะี่ยใจที่มันเคยฟุ้ง เพราะความคิดลักคิดนะคิดเยื่อราดเนี่ยมันก็จะค่อยๆสงบลงแต่ถ้าเราไม่รู้จักดูแบบนิ่งๆใน้การที่ใจมันจะนิ่งโดยที่ไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์รบกวนนี่ก็จะเป็นเรื่องยากเอาคำที่พูดตอนนี้นะออรับพรบ